ต่อมาข้าพเจ้าเกิดความคิดขึ้นว่าคนเราเนี่ยไม่เห็นมีอะไรวันหนึ่งๆเช้าขึ้นก็กินทำงานเที่ยวตเตะเสพกามนอนซ้ำๆซักๆไม่เห็นมีแก่นสารอะไรเลยถ้าเช่นนั้นคนเราเกิดมาทาไมทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกันแน่ข้าพเจ้าตั้งปัญหาถามตนเองและปัญหาอื่นๆ อ, อีกมากมายเช่นว่าชีวิตคืออะไร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 ท่วมทับไม่ได้เมื่อท่วมทับไม่ได้เขาผู้มีใจสูงก็เป็นผู้ชนะทุก์หรือปราศจากทุก์โดยสิ้นเชิงดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้นั้นก็คือความไม่มีทุกโดยเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์นั่นเองคำชี้แจงขององค์การฟื้นฟูพุทธศาสนาเกี่ยวกับคู่มือมนุษย์ ในบรรดาหนังสือธรรมะราวห้าสิบเล่มขององค์การฟื้นฟูพุทธศาสนาหนังสือคู่มือมนุษย์ได้รับความนิยมชมชอบจากชาวพุทธอย่างกว้างขวางมากที่สุดถึงกับมีผู้นำเอาไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศเช่นในสิงคโปร์อเมริกาลาวและในประเทศไทยเองทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านพุทธทาสได้บรรยายเรื่องอันสาคัญที่สุดที่มนุษย์ทุกคนควรจะรู้ และควรจะปฏิบัติตามให้ได้จึงจะไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาหากท่านผู้ใดไม่มีเวลาอ่านหนังสือธรรมะเล่มอื่นๆก็ขอให้หาโอกาสอ่านคู่มือมนุษย์อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งยิ่งได้อ่านเร็วเท่าใดก็จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของท่านเร็วมากขึ้นเท่านั้นเพราะท่านจะได้รู้เคล็ดลับของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความทุกข์ มีแต่ความสุขทางใจไม่ว่าชาวโลกเขาจะวุ่นวายกันไปอย่างไรทั้งนี้ก็เนื่องจากหลักธรรมที่แสดงไว้ในหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้พบกับความเป็นอิสระทางใจอย่างแท้จริงซึ่งท่านไม่เคยได้พบมาก่อนหนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นด้วยว่าพุทธศาสนาที่แท้นั้นพระพุทธเจ้าเริ่มสอนเรื่องอะไรและผลของการปฏิบัติตามคาสอน จะเป็นอย่างไรในที่สุดหากคำสอนของผู้ใดผิดไปจากหลักที่อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็ถือได้ว่านั่นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าลงชื่อปุ่นจงประเสริฐองค์กรฟื้นฟูพุทธศาสนา